พระธรรมเทศนาแผ่นที่89าลำดับที่20โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่18กุมภาพันธ์2559มีชื่อเรื่องว่าโชเฟอร์จะลำบากหากไม่เตรียมตัว วันนี้เป็นวันที่สิบแปดกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อห้าสิบวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งคณะสงฆ์ทั้งหมดสิบอดรูปได้มาร่วมเจริญพระพุทธมนตรในบ้านของคนหนมนะแต่หลวงพ่อได้ให้ แชมเขาเขียนชื่อไว้ว่าวันเกิดวันเกิดจัดวันงานวันเกิดสามคนด้วยกันนะอันดับแรกก็คือพิชัยคุณพิชัยกฤิเจ้าของบ้านเรืองกริดวงเล็บหนุ่มแล้วก็คุณชุนทริตยารักษ์แล้วก็อภิชัยบังประภัย แชมป์ทั้งสามคนได้จัดงานวันเกิดครูบาอาจารย์มีหลวงพ่อหลวงพ่อสุธรรมหลวงพ่อบุญทันได้ที่มณ์มาแล้วก็ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นิริมมงคลของวันงานวันเกิดถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งสําหรับเจ้าของวันเกิดดั่งหลวงพ่อสุธรรมพูดเมื่อกี้นี่ว่า คนหนุ่มประสบผลสำเร็จในการบริหารจัดงานจัดการจัดงานอาชีพหลวงพ่อวันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าประเทศไทยของเรากํกำลังเข้าประชาคมอาเซียนพวกเราจะนอนนิ่งดูไดยไม่ใส่ใจบางทีคนรอบบ้านรอบด้านรอบบ้านของพวกเรา เข้ามาแย่งวิชาอาชีพของพวกเราไปก็น่าเสียดายทั้งที่พวกเรามีสติมีปัญญาได้รับการศึกษาดีทุกคนพ่อประเทศชาติของเราเป็นประเทศเป็นเอกราชมานานแล้วก็ลูกหลานของเราถ้าจะว่าไปก็ได้รับการศึกษาอย่างดีแต่ไม่เอาวิชาความรู้ที่เราได้รับการศึกษามาด้วยดี ออกมาเที่ยวมาเตรมาเล่นมาสนุกสนานออกไปนอกรูนอกทางไม่แสวงหาทรัพย์ไม่สามารถที่เป็นตัวของตัวต่างชาติเข้ามาแย่งวิชาอาชีพไปหมดมีแต่พวกเราก็มีแต่ความยากยากจนพอมารู้ที่หลังได้ที่ไหนได้พวกเราเป็นเบี้ยร่างเขาเสียแล้วไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะลูกหลานคณาจาทยาญาติโยม เพราะนั้นให้ลูกหลานทั้งหลายนะตื่นตัวเพราะว่าพวกเราจะเข้าประชากรอาเซียนลม่มล่ออยู่แล้วเพราะนั้นขอให้พวกเราพิชาอาชีพไหนพวกเราควรจะประพฤติปฏิบัติควรจะทำมาหาเลีงชีพในทางสุดจริตนะและวก็พร้อมกันเรื่องศีลธรรมจริยธรรมพวกเราก็อย่าได้ห่างเหินเพราะว่าศีลธรรมนี่แหละจะเป็นเครื่องคุ้มครองพวกเรา จะตกอยู่ในชุมชนกลุ่มใดก็ตามถ้าว่าพวกเรามีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีคนที่มาเกี่ยวข้องเราเขาก็ไว้เนื้อเชื่อใจออการทำมาทำมาหาเลี้ยงชีพ เ, เราบอกกล่าวไปที่ไหนเขาไว้ใจเราเพราะว่าเรามีจริยธรรมคุณธรรมที่ดีไม่ต้มไม่โกหกไม่หลอกลวงเขาเนี่แหละเขาเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจ เพรนั้นขอให้พวกลูกหลานคณะสัตยาญาติโยมนะแนะนําสั่งสอนบอกลูกหลานของพวกเราแต่วันนี้หลวงพ่อมาอนะงานนี้หลวงพ่อก็ไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าให้ธรรมะแก่กั บ, กบลูกหลานและก็พร้อมกันหลวงพ่อก็มีลูกองหลวงตาที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อที่หลวงพ่อรักเคารพนับถื อ, อก็ไดเอามาฝาก วันงานวันเกิดของทั้งสคนนะให้แยกกันแบ่งกันใครจะเอารูปไหนแต่รูปของหลวงตาเหมือนกันทั้งหมดแต่ก็พร้อมกันกับหนังสือกับ MP3 ในหะลวงพ่อก็ไดเอามาทั้งหมดมีมากพอสมควรอยู่แต่สำหรับผู้ที่ไฟในการเรียนรู้ในใยในการศึกษานะหลวงพ่อเอามาให้ชุดใหญ่ประมาณสัก16ชุดตัวนี้นะละก็พร้อมกันมีหนังสือเล่มนี้อีก ก็มีหลายพอสมควรที่จะแจกน่าจะครบกันเป็นหนังสือธรรมะขององค์หลวงตาหนังสือเล่มนี้นะคือหลวงตาไปเยี่ยมหงผงพ่อที่วัดป่านาคําน้อยท่านไปเยี่ยมต่างกลำต่างวาระแต่หลวงพ่อก็ให้พระอัด MP3 มามอัดด้วยความกลัวเหมันกันพรหลวงตาเนี่ยถ้าอัดเพียวเพียวอัดต่อหน้าท่านโดยมากท่านดุ สมัยอยู่บ้านตาดเพราะนั้นหลวงพ่อก็เลยกลัวแต่ไปอัดที่นาคำน้อยหลวงพ่อก็ต้องระมัดระวังได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เป็นธรรมะที่ท่านสอนพระเนนแบบตรงไปตรงมาพอเวลาท่านไปเสร็จแล้วพวกเราก็เข้าไปถวายนวดเส่นถวายท่านพอท่านขึ้นมาก็นั่งฉันมาแล้วก็อบรมพระบางทีก็ดุดาา่าว่าเกาพระในวัดบางทีก็อบรมในภาค จิตตภาวนาในวัดก็รู้สึกว่าเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งเพราะนั้นหลวงพ่อจึงให้พระเมื่อหลวงตาจุตินิรพันไปแล้วหลวงพ่อก็ให้พระท่านอาจเป็นถอดเป็นตัวหนังสือจะเนี่ยออกมาให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อการศึกษาทีแรกอะอาจถอดมาให้ทางวัดดูดูก่อนพอดูโอ้หน้าจะขยายเพราะเป็นธรรมเทศนาขององค์หลวงตา พอหลวงตาที่ท่านพูดกับเที่ยนี่ท่านหลวงตากับจุตินิพพานไปแล้วเราจะไปเอาปิดบังไว้เราก็ไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์อะไรเพราะคําพูดของหลวงตาเนี่ยผ้าใครได้ฟังก็นําไปประพฤติธปฏิบัติก็จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่ใยในการเรียนรู้ใยในการศึกษาเพราะนั้นหลวงพ่อจึงให้พิมพ์เป็นหนังสือเล่มหนึ่งออกม า, อาแต่ไม่ใช่ท่านจะยกย่อง วัดของหลวงพ่อทีเดียวนะถึงท่านด่าท่านก็นด่านะบางทีหลวงพ่อก็จะอึกเหมือนกันน่ะหลวงพ่อจะพูดให้ฟังนะลูกหลานนะสมัยเหน่งองหลวงตาท่านหลวงตาก็ไปสม่ําเสมอแหะบางทีเกืเดือนละครั้งบางบางทีก็มากกว่านั้นแต่ทีนี้ทางทางขึ้นกุฏิหลวงพ่อนะมันเป็นทางลาดชันพอสมควรศรัทธาญาติโยมทางกรุงเทพก็ไปเห็นว่าหลวงพ่อน่าจะทํา เป็นอิดตัวนอนขึ้นไปกุฏิหลวงพ่อพอจะได้เดินขึ้นสะดวกสบายหลวงพ่อก็เออเอาทําได้ก็ทําแคบๆล้วประมาณจักไม่ถึงเม็ดน่ะแล้วเอาใส่ปูนซีเป็นสองข้างเป็นท่อนใหญ่ๆบังเอาไว้แล้วก็บดทรายเข้าไปแล้วก็เอาหินตัวอิดตัวนอนปูไปกน้นถึงกุฏิหลวงพ่อพอต่อมามันฝนตกจะนึ่น้ําซ้อจะนึ่กระดกกระเดิดหน้ากระดกหลัง โอ้โดนขึ้นไปทั้งที่มันจะสะดวกนะเป็นจุดเป็นต่อไปหมดเลยหลวงพ่อไอเลเรเล่ห์เรือเทปูนเทไม่พอเทปูนแล้วทีนี้พระก็บอกว่าอิดตัวหนอนหลวงหลวงพ่อเนี่ยจะเอาไปใส่ที่ไหนหลวงพ่อเอ้ยเอาไปเอาไปสังทางเขาไปในครัวผู้หญิงนะพอโยมผู้หญิงมีแต่คนเฒ่าคนแก่มาก็เอาไปปูท้านน้อยจะปูเรียบเรียบรบๆคงไม่เป็นไรหรอกคงจะไม่กระลก พอหลวงพ่อมันทางราชชันพระค่อนข้างอโอ้ยทางนี่นะทางไปหาทางพระในอกจากที่ฉันน้ําร้อนพระไปเนี่ยมันเลิศ น, นะหลวงพ่อเวลาพระเดินไปเนี่ยเกืบหกขมิบไปลูกกี่องค์แล้วผมเรียกจะทําทตรงนี้เอ้ยมาทําตรงนี้ดีกอ่าบางทีหลวงตามาเห็นหลวงตาด่าหัวหลวงพ่อนะวะวะอใช่ละสุ้เจ้าไม่ไม่โดนดาน่าแต่จะทันจะด่าหลวงพ่อนะ ไม่เป็นไรแล้วครับพวกผมจะรีบทำในเมื่อหลวงตามาวันนี้วันพวกนี้ผมก็ลงมือเลยเออพอหลวงตากลับมาแล้วหลวงตาก็คงจะเห็นแล้วก็คงจะไม่วาอะไรมั่งแตพวกผมบอกเอออย่างั้นเอาขาเอหลวงตากลับมามาวัดพอมาเสร็จแล้วท่นี้ก็พอหลวงตากลับไปวันนั้นอ่ะวันลุ่งขึ้นพากันลงมือเลยเหือนนเอขุดล่องเลยเแล้วก็บดทราย แต่จะเทปูนซะก่อนเนี่ยค่อยปูอิดก็ไปทําให้กว้างประมาณเม็ดกว่าเม็ดห้าสิบถึงมัง้งพอวันลงเคลือีกวันนึงหลวงตามาเลยประสทนี้หลวงตามาท่านไม่ได้อยู่นั่นนะท่านมาเมื่อวานเนี่ยวันนี้ท่านไม่มาวันพุ่งที่ท่านมา เ, เอพอมาท่านก็เดินขึ้นไปไปเห็นพระพระกําลังจะทํางานอยู่นะพระกําลังจะทํางานอยู่ ท่านก็เดินเดินขึ้นไปเจอพอดีแต่นี้พอหลวงตามายมาเจอกำลังพระกำลังจะทํางานกันอยู่เนี่ไอหลวงตาว่าทำอะไรเอพระก็บอกว่าจะโปอีกตัวหนอนครับฮะมันทําอะไรมันโปตัวอีกตัวหนอนตัวบ้าอะไรนี่ฮะมันทําไมไม่อที่เก่าไม่คันที่มันไม่คันทําไมเก่าเนี่ยฮะพระเนี่ยอย่าทําทําทําทําไมเนี่ยฮะ ใครทําอินเนี่ยทําไมเอทําไมชอบรักก่อสร้างเลยเหอโอเท่า น, นั้นแหละพระก็แตกก่กจุยกระจายกันเนี่เราไม่ขึ้นข้างบนเราจะกลับละเอพอาะว่าท่านั้นท่านก็พอไปถึงสล า, าท่านก็ปูเสือใต้ถุนสล า, ราพระก็ไปปูเสือเนะยปูท่านไม่ขึ้น ท, ที่ที่ท่านเคยพักตะกอนแล้วจะเนี่ย เออต่านเอกับภาควิ่งขึ้นไปหาหลวงพ่อเลยหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงหลงตามาเลทําไมท่านมาวันก่อนวันนี้ทําไมท่านมาท่านเห็นมไหมล่ะท่านเห็นที่สูตเจ้าไอ้เปเทไอ้ตัวนอนไมล่ะโอยก็ด่าตรงนั้นแล้วสิตายตายตายตายตาข้าลงไปในี่คงจะโดนด่าแล้วนอที่นี่นอว่าโอ้ยใจตุบตุ่มตอมใจพิจุกตัวแล้วงั้นแหะของพ่อก็ลงมานี่ย อพอลงมาเสร็จท่านก็เป็นนอนอยู่ใต้ถุนศาลาพักอยู่นู่นนะพระกําลังนวดเส้นท่านอยู่นะหลวงพ่อเข้าไปทางนั่นแหละเข้าไปก็เป็นนวดถวายเส้นท่านพอเป็นนวดท่านนน่ะท่านเลื่อบขึ้นมาท่านลืมตาขึ้นมาพอหลวงพ่อนวดแรงได้ถามว่าจริงหลวงพ่อเคยนวดองค์ท่านนะท่านก็รู้ว่าหลวงพ่อลงมาแล้อนวดฝีมืออย่างนี่คงเป็นท่านอินและคงจะวางนั้นแ่ะพอเหลือบขึ้นไปท่านนั่นแหละเฮ้ยท่าบิน มันทำไมไปหาสร้างอะไรตัวอีตัวนอนแต่ตัวบ้านนะฮะมันไปยุ่งทําไมเนี่ยฮะให้พ่อนาไม่ใช่เลอทำไมไปหายุ่งในเรื่องการก่อสร้างมาทําอะไรเนี่ยมันยุ่งนับฮะโอ้โหหลวงพ่อถ้าหลวงตาด่านนะหลวงพ่อจะไม่ถกไม่เทียงอะไรเลยก้มหน้าฟังลูกเดียวงั้นแนหะเออฟังกันนะลูกหลานนะถ้าพ่อแม่ด่าจะไปเถียงเพราะนะหลวงพ่อเนี่ยหลวงตาด่านนะหลวงพ่อไม่เคยเถียงนะมีแต่หลับตาฟังนะั่น ท่านกระดาเอาดาเอาดาเอาพอที่สวดท่านเหื่อยเหนื่อยแหกแหกท่านก็หยุดว่างั้นเถอะเออพรพอท่านหยุดแล้วก็นวดเส้นต่อไปพอนวดเจนเสร็จเรียบร้อยท่านก็ลุกขึ้นมาอ่าลุกขึ้นมาก็ฉันมากนะท่านใดทั้งที่ท่านจะพูดเรื่องเก่าท่านไม่พูดได้ส่โอ้โหวันนั้นพูดธรรมะอย่างเด็ดเดี่ยวมากเลยว่างั้นเถอได้ฟังธรรมะอย่างยอดเยี่ยมเลยวันนั้น ท่านจะไม่พูดเลยในเรื่องที่ท่านด่าเมื่อกี้เนี่ยมันเอาไปเอามาพูดเนี่ยแหละอันนี้พ่อแม่ทั้งหลายก็จำเอาไว้เอาการด่าลูกหล า, ดานด่าหลานก็เหมือนกันด่าแล้วจะมาซ้ําแล้วซ้ําอีกอพอด่าเสร็จแล้วใหยอยศพอมันเจ็บพอแรงแล้วอมันทุกพอแรงแล้วคนที่ถูกดา น, นั้นแหละให้ยดอถ้าเว้นเสียแต่ว่าเอา่าวหน้ามันจังทาอีกอยู่เออท่านด่าแรงๆเลยบัดเนี่ย แต่ข่าวนี้พอด่าเสร็จแล้วก็ให้หยุดนี่แหละหลวงตาท่านสอนลูกสอนหลานเป็นอย่างงั้นนะคณะสาญญาัทยาธโยมลูกหลานถึงท่านด่าแล้วก็เจ็บแล้วจําไว้ละจะไม่ทําอีกแล้ว อ, อถ้าทํำอีกนะ อ, อมันบอกไม่ฟังเนี่ยเราจะไม่มาไม่มาเยียบวัดนะไม่มาเยี่ยมอียวัดอีกนหลวงตาจะใส่มาตรการอย่างนั้นนะเพราะนั้นหลวงพ่อเองนเนี่ยเมื่อท่านแสดงธรรมที่วัดของหลวงพ่อนี่มีมาก มาหลายเรื่องนะหลวงพ่อก็เห็นว่าเลยอัด MP3 ไว้บ้างอัดเทปน้อยไว้บ้างจากนั้นหลวงตาจากไปแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนพระเนรลูกหลานหลวงพ่อก็เด้อัดได้ถอดเป็นตัวหนังสือมาเป็นพิมพ์พิมพ์มเป็นหนังสือเนี่ยะเอามาแจกให้ศรัทธาญาติโยมลูกหลานโดยเฉพาะออยางยิ่งเน้นเรื่องเรื่องพระนะ หนังสือเล่มนี้หลวงพ่อจะเน้นเรื่องพระเพราะว่าท่านสอนพระนะนี่แหละอันนี้ก็คือทำประเทศนาขององค์หลวงตาที่ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวพระเนรลูกหลานเป็นแบบฉบับที่ดีไม่ให้ลืมเนื้อลืมตัวนะไปอยู่ในสถ า, านที่ใดอย่าลืมตัวว่าเราเป็นใครเราเป็นพระลักษณะอย่างนั้นแหละที่หลวงตาสอนอพวกเราคณะคณะจัดทาญาติโยมลูกหลานก็เหมือนกัน อยู่ในสถานที่ใดอย่าลืมตัวถ้าเราไม่ลืมตัวเนี่ยดีทั้งนั้นนะลูกหลานนะการทามาหาเลี้ยงชีพมันจำเป็นอย่างที่หลวงพ่อเคยยกเป็นพุทธภาษิตพระพุทธเจ้า ว, ว่าทุกทุกคัดสาสนันตลังสุขขังเมื่อเป็นน้อยเป็นหนุ่มเราทุกในการทรมาหาเลี้ยงชีพอดหลับอดนอนทรมาค้าคายติดต่อประสานงานมันทกนะแต่เมื่อ มีอายุขึ้นมาเราได้เก็บหอมลอมริบได้เก็บทรัพย์สมบัติไว้เราก็สะดวกสบายเมื่อปลายมือนะมีความสุขเมื่อปลายมือเพราะเหตุไรเพราะเราได้ส่แสวงหาทรัพย์เมื่อสมัยเราเราเป็นน้อยหนุ่มนะอันนี้คือให้พวกเราให้เตรียมเอาไว้เพราะอย่างไงเราก็ต้องแก่แน่เมื่อแก่เข้ามาแล้วนะ่ะเมื่ออายุมากแล้วนะ่ะเราจะส่แสวงหาทรัพย์เหมือนสมัยน้อยหนุ่มไม่ได้นะ เพราะว่าสมัยน้อยหนุ่มเราคิดอะไรเราทาได้พอคิดขึ้นมาแล้วก็ทำเล่งขนาดไหนก็ได้ติดต่อประสานงานกับใครก็ได้แต่เมื่อเท่าอายุมากแล้วนะความเชื่อถือของคู่คนเขาก็ไม่เชื่อถือแล้วนะพออายุแกแล้วนะ เ, เพราะนั้นเราก็ต้องอาศัยกินทรัพย์สมบัติที่พวกที่เราเองได้สแสวงหาเมื่อสมัยยังหนุ่มเราก็มีความสุขเมื่อปลายมือนะ ท่านเชืว่าทุกคัดษาสนันตลังสุขขังเมื่อทุกเมื่อต้นมือแต่จะสบายเมื่อปลายมือแต่ตรงตรงข้ามนีนีกหนะ้าที่นี้นะสุขคัดษาสนันตลังทุกขังเมื่อสมัยเป็นน้อยเป็นหนุม่มมีแต่เที่ยวมีวมวแต่แต่เตรกินเหล้าเมายาสุรานารีภาชีกีฬาบัตดอันไหนที่จะสนุกส น, นานเที่ยวเนื้อล่องไต ไปหมดที่เขาว่าที่ไหนสนุกสนานเพลิดเพลินไม่ได้สนใจใส่ใจในการทํามาหาเลี้ยงชีพไม่ได้เก็บหอมรอมเริบนะสมัยเป็นน้อยเป็นหนุกสนุกสนานแต่เมื่อเท่าแก่ชราทรัพย์สมบัติไม่มีเมื่อทรัพย์สมบัติไม่มีแล้วทำยังไงเออเหมือนกับนกกระยางอยู่ในเปลือกตมที่แห้งคือท่านเปรียบเทียบว่านกกระยางแต่ก่อนมันบินไปหากินได้ทุกหัวและแหง มันจะไปเบิงไหนบ่อไหนสะไหนท้องนาไหนมันก็ไปได้แต่พอมันอายุแก่นั้นไปหากินอยู่ในอยู่ในกลางทุ่งนามันก็กลัวอันนั้นมันก็เข้าไปหากินในป่าดงเป็นหนองน้ำอยู่ในดงในป่าดงพอในสุดมันก็หมดกำลังเพราะอายุมันมากมันบินไม่ได้พอในสุดนกกรยางแก่จะอยู่อยู่ในเปลือกตมที่แห้งอยู่ในกลางหนองอยู่ในป่าที่มันแห้ง พอในสุก็หนบินไปที่ไหนก็ไม่ได้เห็นเขียดเห็นตกตะ ก, กะแตนมาก็วิ่ง ด, ด, ด, ดุยดุยดุยไปเอ้พอในสุก็ไม่มีอาหารจะกินนกกับยางแก่แตอนนั้นก็มีแต่ความทุกข์ทมเพราะไม่มีอาหารกินเพราะไม่มีกําลังนี่แหละท่านเปียบเพียกวก็เหมือนกับคนแก่ไม่มีทรัพย์สมบัติสมัยเมื่อน้อยหนุ่มไม่ได้ส่อแสวงหาทรัพย์เอาไว้ไม่ได้กักตุนเอาไว้เมื่อได้เงินมาแล้วกั น, นซื้ออาหารสา สังหาริมรัพย์ซื้อบ้านบ้างซื้อที่ดินบ้างเก็บเอาไว้ต่เมื่อเท่าแก่ชราเราก็จะได้ขายหรือว่าได้จำหน่ายออกไปเราจะได้ใช้เงินก่อนนั้นนี่แหละถ้าว่าพวกเราวางแผนชีวิตไว้อย่างดีพวกเราจะมีความสุขเมื่อปลายมือทว่าทุกขษาสุขษาสะนันตลังทุกขังและกระทุกขษาสะนันตลังสุขขัง พวกเราจำเอาไว้ฟังเอาไว้นะและก็พร้อมกันในหลักของพระพุทธศาสนาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าตายแล้วไม่สูญนะอันนี้พวกเราต้องศึกษาให้ดีแต่พวกหลวงพ่อพูดอย่างนี้พวกเราพวกที่ไม่เชื่อนะั่นก็คงจะปฏิเสธในใจล่เะเฮ้ยไม่เชื่อไม่น่าเชื่อตายใครตายแล้วไม่เห็นมาบอกเนีอันนี้คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ไปค้นคว้าศึกษา ที่คโคลนต้นโพที่ประเทศอินเดียเนี่ยบอพุทธศาสนาเนี่ยที่เป็นาศาสนาพุทธเนี่ยนเมื่อพระพุทธเจ้าท่านอุบัติขึ้นในโลกเป็นพระเจ้าแผ่นดินคลองราดถึงยอายุ29ปีจากนั้นก็ออกจากเสียสละออกจากเวียงวังไป ส, สวแวงหาธรมไปบำเพ็ญอยู่ในป่าถึง6ปีนะลองถูกลองถูกผิดลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดลหลายวิธีกรรม จนได้หปีจนถึงวันเดือนหกเพนเป็นวันที่สําเร็จหรือว่าเป็นวันสูตรสําเร็จที่ได้ที่ท่านได้ตัดรู้เหมือนกับเขาค้นคว้าวิทยาศาสตร์อย่างนั้นแหละพอค้นคว้ามั่นใจถูกแล้วได้แล้วท่านเขาประกาศออกม า, าเมื่อวานนี้วิทยาศาสตร์ของข้าพเจ้าเด็กค้นคว้าเนี่ยสำเร็จไปในเปาะนึงแล้วนี่อันนี้พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันที่ท่านไปค้นคว้าศึกษาอยู่หปี วันสุดํำเร็กก็คือวันเดือนหเพนวันในวันนั้นตอนหัวคำท่านก็นั่งภาวนาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายที่โรนต้นโพกกำหนดลมหายใจเข้ารั้วาหายใจเขาาจออ้าหายใจออกรั้วหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกจากนั้นพระไทยของพระองค์ใจของพระองค์ความรู้สึกนึกคิดของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่ง เมื่อจิตใจใจรวมเป็นหนึ่งแล้วเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาห่ืเกิดยาณทัศนะเกิดฌานขึ้นมาในขณะที่จิตใจสงบเมื่อฌานเกิดขึ้นมาพระองค์กละลึกชาติทวนหลังได้ปุกเพนิวาสานุสติญาณละลึกชาติทวนหลังเอชาติที่แล้วหนึ่งข้ามาจากไหนเป็นเป็นอะไรพระพุทธเจ้าละลึกชาติทวนหลังยาวเหยียดเลยใชเหมือนกับพวกเรามานั่งอยู่ที่นี่นะ่ะเลามาจากไหนวันเนี่ยเออ เดินมาจากไหนผ่านที่ไหนมาบ้างแล้วก็มาจากจุดไหนหอย่างหลวงพ่อเนะี่ยมาจากสวนแสงธรรมนั่งรถมาไม่ลูกงอไหนตงองเงางอไหนในถนนไม่ล่้ยอะไรตบไม่อะไรผ่านมาตั้งเยอะแยะไปหมดเลยจนมาถึงเดี๋ยวนี้อันนี้คือปัจจุบันที่นั่งอยู่เดี๋ยวนี้นะไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยคืออดีตนะพระพุทธเจ้าท่านมองดูอดีตมาจากที่ไหนออกจากมาจากสวนแสงธรรมมาจากไหนออกจากมาจากไหน ยาวเหยียดเลย嘛เรียกว่าปุกเพนศิวาสานุสติญาณระลึกชาติขนหลังได้นี่แหละคนในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยตายแล้วไม่สูญนะคณะจตหาญ า, า, า, าติโยมตายแล้วเกิด อ, กอีกพอจิตสงบเท่า น, นั้นแหะท่านจะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองตัวท่านเองพระพุท อ, องค์ก็รู้ด้วยพระ อ, องค์เองว่าร่างกายกับใจนี่ยร่างกายกับเรานั่งอยู่เนี่ยเลยคือร่างกายนะใจก็คือตัวนึกคิดตัวผู้รู้รู้นะ แต่พวกเราว่าสมองนะยุคนี้เขาว่าสมองแต่ในหลักธรรมคาสอนของพุทธท่านว่าใจผู้รู้นามธรรมตัวนั้นคือมโนจะเรียกอะไรก็ได้แต่สรุปแล้วคืออันเดียวกั น, ม, น ม, มันมาใช้สมองแต่เราพวกเราเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเขาถึงแต่สมองอแต่หลักธรรมคาสอนของพุทธเจา้าท่านว่า ผู้ที่มาใช้สมองอีกที่นึงคือนมามธรรมคือใจสมองน่อยู่ที่หัวของเราเหมือนกับรถรถของเราเนี่ยอยู่ในรถคันนี้นะ่ะมันมีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ใ น, นั้นน่ะเวลาเราสตาร์ทเครื่องตั้บขึ้นมาจอมันจะบอกขึ้นมาเลยน้ำมันมีเท่าไรจะเดินไปเท่ารดได้เท่าไรตาซ้ายตาขวา ล้อหน้าล้อหลังไฟซ้ายไฟขวาไฟหน้าไฟหลังมันมีปัญหาอะไร อ, อ, อย่างนี้เป็นต้นนะพอจะตาัดเครื่องขึ้นมาแล้วมันบอกนะนี่ก็เหมือนกันเราตื่นขึ้นมาแล้ว เ, เราก็เข้าไปจับสมองของเราสมองของเราก็บอกเลยว่าเราเจ็บพี่ไหนปวดที่ไหนจะไปยังไงมันก็สั่งการสั่งงานแต่พวกเราทุกวันนี้ถึงแต่สมองแต่ในหลักของพทธศาสน า, ท, านท่านไปค้นคว้า้ ท่านวัดดูใจใจนั่นแหละมาใช้สมองอีกทีนึงเอ่อนนเออท่านว่ามโนเะอ่ท่าว่าน่ยท่านจึงว่ามโนโปุพังขา ม, มาธรรมามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจนะะ น, น, นั่นแหละมโนคานั้นแหละเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วเราจะรู้ะไรว่ากายกับใจเป็นคนระอ่านกัน ร่างกายกับใจใจกับกายเป็นคนละอ่านกันนะไม่ใช่อันเดียวกันนะท่นีแต่ร่างกายตายแน่นอนแต่จิตใจคือนมามธรรมนะ่ะออกจากร่างนะเหมือนกับรถกับคนขับรถนะ่ะรถคือรูปประธรรมคือร่างกายานมามัธรรมคือซเฟอร์รถในเมื่อรถอหมดอายุซเฟอร์ก็ออกจากรถน่ะในเมื่อซเฟอร์ออกจากรถนะ ถ้าโซเฟอร์จนนะโซเฟอร์มีิตรเที่ยวมิตร เ, เตรไม่ได้โ ส, ะสะแสวงหาทรัพนะเมื่อออกจากรถไปแล้วนะโซเฟอร์คนนั้นล่ะไม่ไม่มีเงินที่จะไปหาซื้อรถคันใหม่แล้วท่นี้นะเผลอๆยังไปทําโทษทําคดีความอะไรอีกตํารวจจับไปขังอีกต่างหากเมื่อออกจากร่างกายนี้แล้วก็ไปตกนรกนะนะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่กทานนะได้เกิดมาไใน พ, พระพุทธศาสนา ได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าให้พวกเราใส่ใจเนาในเรื่องนี้นะศึกษาเนาให้ฟังพระธรรมฟังคําสอนฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอาไปศึกษาธรรมะนี่หลวงพ่อให้หนังสือธรรมะนี่ยเข้าเอาไปให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาถ้าพวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วพวกเราจะเข้าใจในหลักของพุทธะท่านสอนยังไงให้พวกเรารู้จักตีรู้จักชั่วรู้จักสิ่งควรไม่ควร รู้จักบาปปุนคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์นะ เ, เราเกิดอยู่ในสถานะไหนอยู่ในสถานะอย่างนี้เราเกิดมามีใครมีพ่อแม่ปูย่ย่าตา ย, ยายวงศ์สาขาญาติญาติมิตรสหายเราจะวางตัวยังไงในสถานะที่เราอยู่อย่างนี้เมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดํารงวงสกุลประพฤตตน ให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านเนี่ยหน้าที่ของบุตรธิดาและก็พ่อแม่ท่านก็ดูแลลูกๆจนเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อเราท่านเมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วนะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเรามีขาสองแขนสองสมองหนึ่งเราจะกระโดดไปในทิศทั้งสี่เราจะโดดไปที่ไหนก็ได้ เราสสแสวงหาทรัพย์อย่างไงก็ได้เพราะพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนอะให้ระลึกถึงพระคุณของผู้มีอุปกราระคุณบุพาการีบุคคลผู้มีอุปกราระขอนคือพ่อแม่พวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกตวเวทิตาอย่างไรต่อพระคุณท่านเหล่านั้นนะอันนี้แหละคือหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะแต่ยังไงก็ตื่นตามนะอย่าลืมนะเออลถ รถนี่ต้องพังแน่นอนแต่โซเฟอร์รถนะจะออกไปจากร่างนี้แล้วเนะี่ยจะไปที่ไหนถ้าพวกเราไม่ได้แสวงหาบุญเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจโซเฟอร์ไม่หาเงินให้ใส่ใสกระเป๋าของตัวเองนะซเฟอร์ตกทุกข์ได้ยากนแน่ๆนะถ้าว่าโซเฟอร์ออไม่ลืมตัวพอมาเกิดมาได้พบพุทธศาสนารู้จักไหวพระสวดมนต์ประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจ โซเฟอร์ so for, นันก็จะมีเงินติดกระเป๋านะไปในสถานที่ใดไปเกิดในภพบนาชาติน้ากับมิแตความเจริญรุ่งเรืองวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวในงานวันเกิดกับของพวกเราขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านทั้งสมท่านที่เกิดในใกล้เคียงกันขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจ ด้วยอำนาจขุะะนพศะรีรัตนไตรพระพทุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงบุญบา ร, รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์บุญบา ร, รมีพระสยามเทวคธิราชบุญบา ร, รมีเจ้าฟ้ามหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์บุญบา ร, รมีของพ่อแม่แต่ละท่านแต่ละคนขอให้มาคุ้มครองขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจ ปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ข อ, ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกๆคนทุกๆ ท, ท, ท่านด้วยเธิน